แม้คำที่อยู่ในใจหรือที่จะทำก็เป็นกรรมใหม่เพราะฉะนั้นการที่จะเข้าใจเรื่องชีวิตได้ดีจำต้องทำความเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีด้วยคำว่ากรรมมีใช้ในภาษาไทยมากเช่นกรรมการกรรมกรกรรมทิการแต่ในภาษาที่พูดกันเคราะห์ร้ายมักตกอยู่แก่กรรมเคราะหดีมักอยู่แก่บุญ ดังเมื่อใครประสบเคราะ์ร้ายคือทุกข์ภัยพิบัติต่างๆก็พูดว่าเป็นกรรมแต่เมื่อใครประสบเคราะดีมักพูดว่าเป็นบุญและมีคำพูดกันว่าบุญทํากรรมแต่งเกณฑ์ให้กา ร, รเป็นฝ่ายดำบุญเป็นฝ่ายขาวความเข้าใจเรื่องกรรมและคาที่ใช้พูดกันในภาษาไทยจะเป็นอย่างไรให้งดไว้ก่อน ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามความหมายในพระพุทธศาสนาคําว่ากรรมแปลว่ากิจการที่ควรกระทํคาคําว่าทำหมายถึงทั้งทํำด้วยกายอันเรียกว่ากายกรรมทั้งทําด้วยวาจาคือพูดอันเรียกว่าวจีกรรมทั้งทําด้วยใจคือคิดอันเรียกว่ามนโนกรรมบางทีเมื่อพูดกันว่าทำก็หมายถึงทํางานทางกายเท่านั้น ส่วนทางวาจาเรียกว่าพูดทางใจเรียกว่าคิดแต่เรียกรวมได้ว่าเป็นการทาทุกอย่างเพราะจะพูดก็ต้องทําคือทําการพูดจะคิดก็ต้องทําคือทําการคิดจึงควรทําความเข้าใจว่าในที่นี้คำว่าทําใช้ได้ทุกอย่างเมื่อได้ฟังว่าทําทางกายก็เข้าใจว่าทาอะไรด้วยกายที่เข้าใจอยู่แล้ว เมื่อได้ฟังว่าทำทางวาจาก็ให้เข้าใจว่าพูดอะไรต่างๆเมื่อได้ฟังว่าทำทางใจก็ให้เข้าใจว่าคิดอะไรต่างๆก็การฟังคำพูดอธิบายหลักวิชาอาจขวางหูอยู่บ้างแต่เมื่อเข้าใจความหมายแล้วก็จักสิ้นขัดขวางกลับจะรู้สึกว่าสะดวกเพราะเป็นคำที่มีความหมายลงตัวแน่นอนคาว่ารม มักแปลกันง่ายๆว่าการทำแต่ผู้เพ่งศัพท์และความแปลว่ากิจการที่บุคคลทำดังกล่าวแล้วถ้าแปลว่าการทำก็ไปพ้องกับคำว่ากริยาคำว่ากิริยาแปลว่าการทำโดยตรงส่วนคำว่ากรรมนั้นหมายถึงตัวกิจหรือการงานที่กระทาดังคาที่พูดในภาษาไทยที่ถูกต้องเช่นกริกรรม พานิชยกรรมและคำอื่นๆที่ยกไว้ข้างต้นคำเหล่านี้ล้วนหมายถึงกิจการอย่างหนึ่งๆที่สำเร็จจากการทำคือกิริยากรรมคืออะไรการแปลว่าอะไรได้กล่าวแล้วแต่กรรมคืออะไรจำต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แปลความว่า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 ต่อเมื่อมีเจตนาจะเหยียบให้ตายจึงเป็นกรรมคือปานาติบาตแต่เมื่อจัดอย่างละเอียดสิ่งที่ทำด้วยไม่มีเจตนาท่านจัดเป็นกรรมชนิดหนึ่งเรียกว่ากรรมศักวะธรรมเพราะอาจให้โทษได้เหมือนกันเหมือนอย่างที่กฎหมายถือว่าผิดในฐานะประมาทกรรมเกี่ยวกับคนเรานั้นอย่างไรกรรมเกี่ยวกับคนเราหรือคนเรานั่นแหละ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 คำต่างๆที่พูดนี้แหละเรียกว่าวจีกรรมเรื่องต่างๆที่คิดนี้แหละเรียกว่ามโนกรรมกรรมนั้นดีหรือไม่ดีกรรมจะดีหรือไม่ดีก็สุดแต่ผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นๆจะให้เกิดผลเป็นคุณเครือกูลแก่ตนเองและผู้อื่นก็เป็นกรรมดีเรียกว่ากุศลกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นกิจของคนฉลาดหรือบุญกรรม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 การทำสาธารณาสงเคราะห์ต่างๆส่วนกรรมที่เกิดผลเป็นโทษเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนเป็นกรรมชั่วไม่ดีเรียกอกุศลกรรมแปลว่ากรรมที่เป็นกิจของคนไม่ฉลาดบาปกรรมกรรมที่เป็นบาปเช่นการประพฤติผิดในศีลธรรมประพฤติทุจริตต่างๆที่ตรงกันข้ามกับกุศลกรรม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 ลักของเขาหนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งเป็นอกุศลไม่ดีเว้นจากการทำอย่างนั้นและอนุเคราะห์เกื้ อ, อกูลเขาหนึ่งเลี้ยงชีพในทางที่ชอบหนึ่งสังวรในกามหนึ่งเป็นกุศลเป็นส่วนดีวดจีกรรมคือกรรมทางวาจานั้นพูดมุสาหนึ่งพูดสอดเสียดเพื่อให้เขาแตกกันหนึ่งพูดคำหยาบด้วยใจมีโทสะ เพื่อให้เขาเจ็บใจหนึ่งพูดเพ อ, เอเร์เชอร์เหลวไหลหนึ่งเป็นอกุศลไม่ดีเว้นการพูดอย่างนั้นและพูดแต่ความจริงหนึ่งพูดสมัรสมานหนึ่งพูดคำสุภาพกระรื่นหูจับใจหนึ่งพูดมีหลักฐานถูกต้องชอบโดยการละเทศะหนึ่งเป็นกุศลเป็นส่วนดีมโนกรรมกรรมทางใจนั้นคิดเพ่งเล็งอยากได้ของเขามาเป็นของของตนหนึ่ง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 คนที่เว้นจากทางกรรมเป็นอกุศลดำเนินไปในทางกรรมที่เป็นกุศลเรียกว่าธรรมจารีแปลว่าผู้ประพฤติ ธ, ธรรมสมจารีแปลว่าผู้ประพฤติเรียบร้อยสม่ำเสมอความประพฤติดางนี้เรียกว่าธรรมจร า, ร, ร, ร, มญญามจริยาหรือธรรมจัญญาสมจาริยาหรือสมจัญญาสมจริยาดังนี้แหละคือ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 เป็นแนวเดียวทั้งหมดแล้วก็ย้อนกลับไปตรวจดูทางเท้าอีกก็ เ, เห็นเหลื่อมล้ำไม่เสมอกันอีกก็ดึงเท้าให้เสมอกันใหม่อีกคนก็ไม่เป็นอันได้หลับได้นอนเป็นสุขเพราะต้องถูกดึงเท้าบ้างดึงศีรษะบ้างขึ้นขึ้นลงลงไม่รู้จักแล้วทั้งเปรตเจ้าระเบียบนั้นก็ไม่สามารถจัดให้เสมอการได้การจัดให้เสมอกัรในทางที่ไม่อาจจะจัดได้เช่นนี้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 ทำอะไรได้โดยที่ไม่ถูกใครเบียดเบียนและก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยก็เกิดขึ้นสมจริยาของพระพุทธเจ้าอันยังให้เกิดสมภาพพระดอนภาพเสรีภาพตั้งกล่าวมานี้เป็นธรรมจัญญาความประพฤติ ธ, ธรรมประกอบอยู่ด้วยหลักยุติธรรมและศีลธรรมต่างๆบริบูรณ์ถ้ามีปัญหาประพฤติ ธ, ธรรมคือประพฤติอย่างไร ก็ตอบได้ว่าประพฤติให้เป็นสมจริยาดังกล่าวนั่นเองและเมื่อเข้าใจความดังนี้แล้วคำว่าสมาจริยาจะแปลว่าความประพฤติเรียบร้อยสม่าเสมอก็ได้ความประพฤติสมควรหรือเหมาะสมก็ได้ความประพฤติโดยสมภาพก็ได้เป็นคำแปลที่ถูกต้องกับความหมายทั้งนั้นดังนี้แหละเป็นธรรมจัร ญ, ญาฉะนั้น หลักธรรมจัญญาของพระพุทธเจ้าก็เป็นหลักที่เป็นแม่บทของหลักทั้งหลายแห่งความสุขสงบของชุมชนทั่วไปถ้าไม่อยู่ในแม่บทนี้แล้วจะเกิดความสุขสงบไม่ได้สมภาพพระดรภาพเสรีภาพก็จะมีขึ้นไม่ได้จะมีได้ก็เป็นเสรีภาพของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและผู้ที่จัดทําไปนอกแม่บทก็จะเป็นเหมือนเปรตจัดระเบียบทั้งกล่าวแล้ว ซึ่งต้องจัดกันไม่รู้จักเสร็จทั้งเป็นการก่อภัยก่อเวรก่อศัตรูและความวุ่นวายเดือดร้อนจัดกันไปจนโลกแตกก็ไม่สำเร็จกรรมตามที่กล่าวมา น, นี้ที่ชี้ระบุลงไปว่ากรรมคืออะไรและทําอย่างไรเป็นกรรมดีทําอย่างไรเป็นกรรมไม่ดีเป็นทางกรรมในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็พอประมวลเป็นหลักใหญ่หญหญได้สามข้อคือ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 จะปัดกรรมที่ตัวเราเองทำให้พ้นตัวออกไปและจะปัดผลของกรรมให้พ้นตัวออกไปด้วยหาได้ไหมต้องเป็นผู้รู้รับผิดชอบต่อกรรมของตนเองเมื่อหลักกรรมของพระพุทธศาสนามีอยู่ดังนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ทุกๆคนหมั่นนึกคิดอยู่เสมอๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นทายาทคือเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกาเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยเฉพาะตนเป็นคนคนไปนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่ากรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและดีต่างๆกันไปเป็นต้นหลักกรรมนอกพระพุทธศาสนาส่วนในลัทธิอื่นบางลัทธิปฏิเสธกรรมเสียเลยบางลัทธิรับรองหลักกรรมบ้างปฏิเสธบ้าง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 เป็นบุญก็มีหลักในการชี้ว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปในทางพระพุทธศาสนาควรทาความเข้าใจให้ชัดเจนว่าคือหลักธรรมจริยาสมจริยาดังกล่าวแล้วข้างต้นหรือหลักเมตตาหลักยุติธรรมฉะนั้นที่พูดว่าทุกลัทธิศาสนาสอนให้คนละชั่วทำดีจึงนับถือได้เหมือนเหมือนกันอาจจะเป็นคาพูดเพื่อประณีประนอม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 วชิรยานวงศ์ได้รับสั่งถามท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์สิริจันโดวัดบรมนิวาสว่าเห็นว่าค่าสัตบชายันไปสวรรค์เป็นสัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบหรือไม่ฉาทิฏฐิคือเห็นผิดท่านเจ้าคุณพระอุบาลีตอบว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแขกดังนี้ท่านตอบเพียงเท่านี้จะพูดกลับอีกทีหนึ่งก็ว่า เป็นมิจฉาทิจติทางพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นตัวอย่างว่ามีได้นับถือได้เหมือนกันจริงไม่ต้องกล่าวถึงผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นแม้พุทธศาสนิกชนเองซึ่งมีศรัทธาในกรรมอยู่บ้างก็ยังคลางแคลงกันอยู่โดยมากว่าผู้ทำกรรมจะได้รับผลเมื่อไหร่เพราะตามที่ปรากฏเห็นกันอยู่บางคนทาดีแต่ไม่เห็นว่าได้ดีบางคนทาชั่ว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 หรือคำนวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ให้รู้ว่าใครมีภูมิสติปัญญาเท่าไหร่หาได้ไหมเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีส่วนกว้างบางลึกตืดห น, นักเบาอย่างสิ่งของฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีให้แสดงออกเหมือนอย่างในครั้งโบราณผู้ที่เรียนสำเร็จศิลปาศาสตร์มาแล้วก็แสดงศิลปาศาสตร์นั้นในที่ประชุมในบัดนี้ ก็ใช้การสอบต่างๆตั้งข้อสอบให้ตอบเมื่อตอบได้ตามกฎเกณฑ์ก็รับรองว่าสอบได้มีภูมิรู้ชั้นนั้นชั้นนี้แม้การวัดภูมิสติปัญญาที่เรียกว่าไอคิวของฝรั่งก็เป็นวิธีตั้งปัญหาให้ตอบเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดสินว่ามีสติปัญญาขนาดนั้นขนาดนี้วิธีพิสูจน์ด้วยการสังเกตจากการแสดงออกนี้ ก็คล้ายเป็นการทำนายอย่างหมอดูซึ่งทำนายไปตามหลักเกณฑ์ไม่ใช่เป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนอย่างรู้ด้วยญาณคือความอย่างรู้จริงแต่เรียกว่าเป็นญาณสมมติก็พอได้คือต่างว่าเป็นญาณเมื่อใช้วิธีซึ่งที่รับรองกันแล้วเช่นวิธีสอบดังกล่าวก็เป็นใช้ได้การพิสูจน์มติ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 พระติดอยู่ในความรู้สึกในจิตใจของตัวเราเองท่านผู้ทําความดีให้แก่เราเช่นมารดาบิดาและผู้มีอุปการรัคุณทั้งหลายพระคุณของท่านเหล่านี้ย่อมติดอยู่ในใจของตัวเราเกิดเป็นความกระทำอยู่คือรู้พระคุณที่ท่านได้ทําแล้วและกะตะเวทีประกาศพระคุณที่ท่านได้ทําแล้วคือการตอบแทนพระคุณท่าน ในทางตรงกันข้ามเมื่อใครทำไม่ดีต่อเราก็มักจะติดใจตัวเรากลายเป็นผูกเวณกันต่อไปได้เหมือนกันกรรมของคนอื่นยังติดใจตัวของเราเองอยู่ได้ถึงเช่นนี้ฉะนั้นกรรมของเราเองจะติดใจของเราเองอยู่ไม่ได้เราไม่สามารถจะแกล้งลืมกรรมของเราได้ถึงจะลืมไปแล้วก็ยังฝังอยู่อย่างลึกซึ้งในจิตใจเพราะกรรม เกิดจากเจตนาของเราจึงเป็นรอยจารึกของจิตใจเมื่อรู้สึกว่ากรรมมีจริงทำดีเมื่อใดเป็นกรรมดีเมื่อนั้นทำไม่ดีเมื่อใดเป็นกรรมชั่วเมื่อนั้นปัญหาต่อไปจึงมีว่ากรรมไม่บาก ค, คือผลของกรร ม, มีหรือไม่และมีอย่างไรคิดดูง่ายๆในเวลาสอบไล่เมื่อได้รับข้อสอบคิดออกตอบได้ สอบไล่ได้การที่ตอบได้สอบไล่ได้ผลดีเกิดจากความตั้งใจเรียนดีนี้แหละคือกรรมดีถ้าไห้เกิดผลดีคือการสอบไล่ได้ถ้าตรงกันข้ามเรียนอย่างเหลวไหลจนถึงสอบไม่ได้นี่เป็นกรรมชั่วท้าไห้เกิดผลชั่วคือสอบตกฉะนั้นผลของกรรมจึงมีอยู่และมีตามชนิดของกรรมคือผลที่ดี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 การสอบดังกล่าวแล้วคนไหนเรียนคนนั้นรู้คนไหนไม่เรียนคนนั้นไม่รู้ถ้าไม่เรียนใครจะมาบรรดาลให้ใครรู้ขึ้นเองหาได้ไหมฉะนั้นกรรมและกรรมวิบากจึงเป็นของของคนที่ทำกรรมนั่นเองผู้ใดทำกรรมอย่างไรก็ย่อมได้ผลกรรมอย่างนั้นเหมือนอย่างหวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น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 มีความดีความชั่วในการทำของทุกๆคน2กรร ม, มวิบากมีคือมีผลดีของความดีมีผลชั่วของความชั่ว3กรรมเป็นของผู้ทำคือใครทำกรรมอย่างใดก็ได้รับผลอย่างนั้นเมื่อกล่าวเฉพาะตัวของเราเองแล้วเมื่อเป็นกรรมของเราเองยิ่งพิสูจน์ได้ง่าย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 เดี๋ยวนี้อาจจะเห็นว่าพ้นสมัยแต่ถ้ารู้จักคิดคานี้ก็ยังใช้ได้คือเทวดาในดวงใจของเราเองหมายความว่าความมีเหีริคือละอายใจและโอตับปะคือเกรงบาปซึ่งท่านเรียกว่าเทวธรรมคือธรรมของเทวดาหรือธรรมที่ทำให้เป็นเทวดาใจที่มีละอายมีเกรงบาป คือความชั่วต่างๆนี่แหละคือเทวดาแต่ใจกระด้างด้านหยาบช้าแข็งกร้าวชั่วร้ายอาจมองไม่เห็นภาคสิทมรมีกล่าวว่าเมื่อกาที่จับที่ต้นหญ้าด้วยคิดว่าไม่มีใครเห็นถึงกระนั้นก็มีผู้เห็นถึงสองเป็นอย่างน้อยผู้เห็นทั้งสองในภาษสิทมรน์นี้คือใครขอให้คิดเอาเองถ้าคิดไม่เห็น ก็ให้ส่องหน้าในกระจกก็จะเห็นผู้ที่เห็นกาแม้พระพุทธภาษิตก็มีกล่าวไว้ว่าชื่อว่าทีลรับย่อมไม่มีแก่ผู้ทําชั่ว